อ๋อเป็นไงบุเหลือกลับไปบ้านมาเหลือกลับมาหรือเปล่าจนะทำ อ, อ, <c oughs> อ่ะเออดิเหลือะอะฮะอะอะอะะเป็นไงอ๋ออ๋อพิจาราอยู่นะคะ เออเออเอออ้เขาฉกเนาะอ้อ่เอ็นนาเออแล้วเราเอาเอนแหลนี่แหละแล้วแบบเหลืออะไรได้แล้วอ้อะไรเออเธอแล้วอ้อลาเราดูที่ใจแล้วอ่ะแล้วเราอุ่นแอนไอ้โลหะให้เขาเลยปวดให้เขาเลยแล้วเราเอาเลยปวดเลยทางตาเอ้ยบุญเหลือนี่มันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเราพี่นายความตายหน้าเปิดผูุฟังสลายไปไม่เห็นว่ามีตัวมีตนไม่เหลือตัวหรือตน แต่เบืเหลือเนี่ยพิจารณาไปพินารณไปแล้วพยายามที่จะเอาตัวเราไปมีเหลือตัวเราที่จะไปเอาอะไรไปได้แล้วไปเป็นอะไรนั่นเนี่ยเบืเหลือในใจอ่ะอือเราพิจารณาเนี่ยทันงสิ้นความมีตัวตนไม่เหลือตัวเราตนแต่เบืเหลือในพี่พิจารณาไปพิจารณไปในความรู้สึกมันมีเรามีตัวมีตนจะเอาตัวเราไปได้แล้วไปเป็นอะไรไม่ได้อย่างใจแล้วมันก็หมุนหงิดพอพิจารณาแล้วไม่ได้อย่างใจก็บุญหงิดก็คือมีตัวเราจะอยากถึงอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุ แล้วมันผมไม่ได้สักทีมันเล่งสักปีดไม่ได้แล้ว ไ, ไม่ได้ผมไม่ได้มากเลยก็ mente. มันทีมก็มันก็ติดรู้สึกผิดหวังบ้างเป็นทุกบ้างมีความเครียดผสมกั好好นไปอ่ะนะใช่ไหมเป็นเหรอเออเออเออแต่ละเอออะไรเออเออแต่ละเอนไม่ใช่ตัวเราเออเออหรือวางไปอีกทางเลยเออวางวางไปอีกวางไปอีกยังวางไม่ถึงใจนะมันมีตัวเราแอบแฝงว่าว่าจะมีตัวเรา มีตัวเราเหลือเป็นตัวเป็นตนจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรแม้แต่ว่าตัวเราจะไปได้ความสุขตัวเราจะไปรู้วิพญานแล้วมันพอมันปฏิบัติแล้วตัวเราจะไปรู้แจ้งตัวเราจะไปเห็นธรรมพอไม่เห็นธรรมไม่รู้แจ้งก็พิมมก็มีความหยุดมีสุภายในอือใช่ไหมอ่าเห็นมด้ว่าแล้วอ๋อเนี่ยมันมีแอบแฝงหลงซ่อนอยู่ในใจนะไป็เหลือพิณาเข้าเห็นว่าตัวตนไม่มีไม่มีแล้วจริงๆแล้วตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนจะไปได้ไปเป็นอะไร ไอย่างนั้ น, น่ยปฏิบัติไปยังมีความรู้สึกก็มีตัวเราอยู่จะไปได้ไปเป็นอะไรนี่ทุกข์ตายไม่ทิ้นทุกข์อ่ะเพราะยังไงถ้ามีตัวเราอยู่มันก็ยังไม่สมปัจจานาตเตี้ยไอความปัจจานาของเรามันจะมันจะล้าหน้าเราไปอยู่เรื่อยตลอดเวลาเก้าหนึ่งเราไม่มีทางไล่ทันมาหรอกเช่นเราวิ่งไล่ไล่ไล่จับพระนิพพานเนี่ยเราไล่จับพระนิพพานเรา ม, มีความปัจจานาพระนิพพานแล้วไล่เราวิ่งเอาตัวเราไปวิ่งไล่จับพระนิพพานอะ่ะพระนิพพานจะหนีเราไปข้างหน้าเก้าหนึ่งอยู่เรื่อยตลอดเวลาเรราาม่ีททงจันก จะเป็นปินิพานได้มันจะต้องไม่มีตัวเราไปวิ่งไล่พินิพานเอาให้ทีละเอาให้อุ่มไปไงพิจปีณามาสามวันละทีว่าไม่หลับไม่นอนมันคือตั้งวันล้วไปไงบ้างเอาอุ่มก็ได้ใครไปฟังเมื่อคืนเนี่ยใครไปฟัง ไปเรื่องเรที่เราให้ไปฟัง่ะเรื่องอะไรวะเรื่องไปให้สุดไม่ไม่เกิดไม่ดับครับอาแล้วเป็นไงไปฟังมันไปฟังมันทำความเข้าใจมันต้องคืนแล้วเป็นไงเป็ความไงบงก็มีความเข้าใจครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาตัวตนไปรู้ตลอดซึ่งจริงๆแล้วมันคือขันห้าที่ เป็นสิ่งปรุงแต่งเราปรุงแต่งเป็นทำตัวเองเป็นผู้รู้ครับซึ่งจริงแล้วมันผู้รู้คือให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นขันห้าเป็นสังขารปรุงแต่งไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ก็ให้ละให้วางมันไปครับอย่าไปยึดถือตัวตน ต, ตัวเราไม่มีทุกวันนี้ก็พิจารณาแบบนี้ครับว่าไม่มีตัวเราทุกอาการทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นขันห้าแต่ก็เพิ่งเริ่มเริ่มเข้าใจครับ ก็กำลังพิจารณาอยู่เรื่อยๆครับไอ้สิ่งที่อุ้มยังไม่เห็นอีกอีกอันหนึ่งก็คือว่าเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นคนเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นสังขารเอาไปปรุงแต่งเอาไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไปตัวเนี้ยมันเป็นมันหลงเป็นอวิชชาเพราะว่า ออในร่างกายเราก็มีแค่ร่างกายที่เป็นสังขารพงษ์แต่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเน่าเปื่ยผุพังไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นจิตพงษ์แต่งมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมืแล้วหายไปแล้วก็มีธาตุรู้อีกกานหนึ่งที่ภาษาสมมติเรียกปัญญาหรือจิตเดิมแท้หรือวิ ญ, ญญาณอัธาตุหรือธรรมธาตุอันนี้ไม่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่ไม่อาจ มีกิริยาการใดๆ ไ, ได้ไม่อากคิดปรุงแต่งอะไรใดทั้งหมดมีแต่ความรู้รู้นี่ก็ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้ตามทวารนะไม่แต่ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้ความคิดไล่รู้อารมณ์เพราะว่ามันไปไล่อะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกิริยาการที่เคลื่อนที่ได้มันจึงพยายามไอ้รู้เนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันจึงจะไปไล่อะไรไม่ได้มันไปไล่รู้ก็ไม่ได้ไล่วิเคราะห์ไล่ทำความเข้าใจก็ไม่ได้แต่ตอนเนี้อุ้มเนี่ยเอาไปธาตุรู้เนี่ยไปวิเคราะห์ แต่แท้จริงมันไม่ใช่ธาตุรู้อันนี้มันเอาไอ้ตัวขันหน้าหลงกับตัวขันหน้าเป็นตัวเราเอาไปวิเคราะห์ไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไปทำความเข้าใจกลายเป็นหลงเอาขันหน้าไปปรุงแต่งซะเองตัวเนี้เพราะฉั้นถ้าเป็นธาตุรู้เนี่ยมันมันไปไล่วิเคราะห์ อ, อะไรไม่ได้เพราะตัวตนมันไม่มีมันไม่อาจจะปรุงแต่งได้ร่างกายเรามีที่ปรุงแต่งได้มีร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายที่ปรุงแต่งได้กับส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาทั้งขานวิญ ญ, ญาณที่เป็นนามธรรมหรือฝ่ายเป็นจิตที่ปรุงแต่งอันเนี้ยต้องไปปรุงแต่งได้อันที่สามคือ ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุอันนี้มันปรุงแต่งไม่ได้มันมีแต่ความรู้มีแต่ความว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างด้วยมันว่ามันมันว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความปรุงแต่งใดๆทั้งหมดไม่มีตัวตนไม่มีกิยาการไม่มีรูปธรรมสถานใดๆเลยไอ้ตัวเนี้ยให้มาเป็นในตัวนี้เนี่ยมาเป็นธาตุรู้นี่แน่หรือเป็นใจเนี่ยที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ตัวเนี้ยอุ้มเอา เอาตัวปุงแต่งได้มาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นตัวปรุงแต่งไม่ได้เป็นใจซะแล้วไม่ได้เป็นรู้ไปเป็นคิดไปเป็นปุงแต่งดิ้นหล่นค้นหาเป็นพยายามไปเป็นคิดเป็นคิดเป็นตัวปรุงแต่งมก็จะเป็นขันห้าไปเป็นตัวตายนะตัวคิดตัวมีอารมณ์ได้เป็นตัวตายตัวเกิดดับตัวไม่เที่ยงให้เป็นตัวรู้ให้เป็นรู้ไม่มีตัวตนหรอกเป็นรู้ก็เป็นรู้เฉยเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีรูปพันธุ์ฐานของรู้ไม่มีเกณฑ์อาการของผู้รู้ไม่อัดรู้นี่ไม่อาจคิดปรุงแต่งอะไรใดได้ มีแต่ความรู้ความรู้ก็ไม่ได้ไปไล่รู้อะไรหรอกไม่ได้ไปไล่รู้อาการไม่ได้ไปไล่รู้ความคิดอารมณ์ไม่ได้ไปไล่รู้ตามทวารหรอกรู้เนี่ยมันได้แต่รู้ว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยคือตัวเราเนี่ยการคิดการพูดการกระทําในในทุกขณะปัจจุบันของขันธ์ห้าเนี่ยที่เป็นตัวสมมติเนี่ยตัวร่างกายสมมติเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราคือสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตเนี่ย กายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารเนี่ยก็คือขันห้านี่แน่ทุกการคิดการพูดการกระทําในที่รับที่แจ้งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับไปมีแล้วหายไปต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหน้าเปื่อยผุพังหมดแต่ไอเราแท้แท้เนี่ยซึ่งเป็นวิญญาณดาษเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่เคยเกิดไม่เคยตายแม้แต่ขันห้าเนี่ยดับแล้วคือรูป รูปประคันเนี่ยที่เป็นกายสังขารเนี่ยสังขารปรุงแต่งแล้วก็จิตสังขารที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นตัวปรุงแต่งได้เนี่ยมันดับแล้วแต่วิญญาณอาฆาตแท้ๆหรือหรือชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยที่วิญญาณนี่มาเกิดเนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกดับได้ตัวเนี้ยมันตายแต่ขันห้าตายแต่ไอตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่เราแต่แท้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่เป็นวิญญาณเนี่ยไม่เคยตายเลยตัวนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายแต่ชาติเดียว มันไม่เคยเกิดไม่เคยตายมันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแทบแต่ทุกชนิดในโลกนี้แล้วเราอะแล้วก็ไอสัตว์เดรัจฉานที่มัมีความคิดนึกถึงตอมปรุงแต่งมีอารมณ์ได้มันก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นตัวใหม่แล้วก็ไ อ, อ, อตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใหม่ได้ก็ตายไปไปเกิดเป็นเปน accounts, เป็นอสุรากายเป็นสัตว์นรกไปเป็นเทพเวดาองค์ใหม่ไปเกิดเป็นมนุษย์มีรูปร่างหน้าตาย่างใ ห, หม่ก็ตายมาแล้วทุกชาติเราตายมาจนกองกระดูกเข้าภูเขาอ่ะอันเนี้ย ตายมาแล้วไอ้ตัวที่มันคิดได้พูดได้มีอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยมันตายมาแล้วทุกชาติแต่เราแท้จริงที่เป็นวิญญาณเนี่ยที่มาเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกดับไม่เคยทําลายและไม่อาจถูกทำลายได้อาวุธใดๆในลโลกก็มาฆ่ามันไม่ตายแม้แต่นิพพานก็ฆ่ามไม่ตายฆ่าได้แต่กิเลสและความทุกข์พอสิ้นยึดแล้วเนี่ยนิพพานมันฆ่าความหลงความหลงยึดอะไรได้คือมันหลงไปยึดอะไรต่างๆเนี่ยพอมันรู้แจ้งแล้วว่าความสิ้นหลงแล้วมันก็เป็นนิพพานนิพพานมันจึงฆ่าความหลงกว่าความหลงยึด กว่าความหลงเรามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราเป็นสามารถไปยึดนั่นยึดนี่ได้โดยมีสติปัญญารู้แจ้งว่าเราแท้แท้เนี่ยเป็นวิญญาณมีแต่ความรู้วิญญาณภาษาบาลีแปลว่ารู้มีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวสังขารปรุงแต่งไม่ได้ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นวิสังขารคือวิแปลว่าไม่สังขารแปลว่าปรุงแต่งที่ไม่อาจปรุงแต่งได้หรือเป็นอสังขาตถาทั ค no like ือเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลที่ไม่อาจมีอะไรปรุงแต่งได้ดังนั้นแน่เราแท้เนี่ยมีสภาพเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลแต่ความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยมันเนี่ยไม่อาจจะมีความรู้ได้แต่ธาตุรู้เนี่ยมันมีความเป็นความว่างเปล่าเหมือนดังธรรมชาติจักรวาลแต่มันมีความรู้มันจึงไม่เกิดไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายก็ราะตัวตนมันไม่มี ความรู้เนี่ยวปัญญาเนี่ยแนวเราจะแท้ที่เป็นปัญญาแท้แที่มาเกิดแน่ยแล้วก็ออกจากล่างไปในแต่ละล่างเนี่ยมันคิดนึกตึกตองปรุงแต่งไม่ได้มีไอตัวที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้ตัวเนี้ยตายทุกชาติเป็นตัวตายตัวแตกตัวดับตัวตายทุกชาติเราจะไปเป็นในตัวตายจะไปเป็นตัวเกิดดับตัวตายถ้าเราไปเป็นตัวคิดตัวนึกตัวตึกตัวตองตัวมีอารมณ์เนี่ยตัวพยายามดิ้นหลนค้นหาตัวที่เป็นปัญญาตัวที่เป็นสัญญาที่เป็นสัญญาที่เป็นปัญญาความจําได้หมายรู้เนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวตาย ไอ้ตัวที่เรามาคิดเอามาทบทวนเอามาประมวลผลเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวตายมันเป็นตัวเกิดตัวดับตัวแตกตัวทำลายเพราะมันเป็นขันธ์หน้าเป็นตัวปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นย่อมดับหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปเป็นไอ้ตัวเกิดตายอย่าไปเป็นไอ้ตัวตายให้เป็นรู้ไปรู้มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหรอกไม่เกิดไม่ตายรู้เนี่ยไม่ใช่ไปไล่รู้ความคิดไล่รู้อารมณ์ไม่ใช่ไปไปล่รู้ตามทวานมันได้แต่รู้ว่านี่เนี่ยตัวมันในรู้นี่เนี่ย ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่ปรากฏกิริยาการใดเลยไม่มีไม่มีรูปร่างใดๆแล้วมันก็รู้ว่าสังขารทั้งหมดแต่สังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตหรือกายสังขารวาจาสังขารจิตตสังขารทุกปะดับปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่รู้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่รู้ไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่รู้มันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่รู้เพราะรู้เนี่ย มันรู้ว่าตัวมันเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างเดียวมีแต่รู้แล้วก็วรู้ว่าสังขารทั้งหมดอะไม่เที่ยงไม่ใช่มันมันไม่ไปหลงยึดเอาสัางขารทั้งหมดมาเป็นมันมาเป็นรู้แล้วมันไม่ไม่หลงเอาว่ารู้เนี่ยเอารู้เนี่ยไปเป็นไปกินเป็นคิดซะอยู่ๆก็เอารู้นี่ไปเป็นคิดเป็นนึกไปตึกไปต่อไปปรุงแต่งไปดิ้นรนไปค้นหาไปทําความพยายามเอาไปประมวลผลได้ อันนั้นมันไม่ใช่รู้แล้วมันเป็นคิดเป็นเป็นตัวตายอย่าไปหลงอยู่กับตัวตายให้เป็นรู้รู้ก็รู้ว่าตัวมันเนี่ยเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยไม่อาจยึดถืออะไรได้แล้วก็รู้ว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารและสังขารภายนอกร่างกายทั้งหมดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ค ang, iff, apping, ือมันรู้แจ้งรู้พ้นรู้จริงรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้เบิกบานไอ้ทานรู้เนี่ยมันรู้แบบพุทธะรู้แบบพุทธะคือรู้พ้นรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดเป็นผู้รู้ตื่นคือไม่ตื่นจะเอวิชาตื่นจากความหลงแล้วตรงยึดบ้านถือมั่นเป็นผู้รู้เบิกบานคือไม่ไปยึดสิ่งใดมาประกดทับ มาไปหลงให้เป็นจิตใจเศร้าหมองเป็นผู้รู้ตื่นเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้รู้พ้นเป็นผู้รู้ตื่นรู้เบิกบานเนีทท่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรู้แบบพุทธะส่วนวิญญาณธาตุเนี่ยว่าวิญญาณขันเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีรูกเบญธนาสัญญาทั้งขานวิญญาณที่มันเป็นต <uh ัวประสมปรุงแต่งเนี่ยเกิดมาแล้วพอวิญญาณเข้าผสมกับสเพิร์มของพ่อไข่ของแม่สเพิร์มของพ่อเป็นธาตุดินไข่ของแม่เป็นธาตุน้ํา ธาตุดินกับธาตุน้าเริ่มผสมมาแต่ไข่ของพ่อกับธาตุน้าของแม่และแม่ก็กินสาหือสาสัตว์ที่เป็นธาตุดินก็ไปกินน้ำก็ไปกินลมธาตุลมหายใจก็ไปเนี่ยกินธาตุไปคือความร้อนความบุนก็ไปเขี้ยวเป็นก้อนเลือดโตขึ้นเรื่อยๆแล้ววิญญาณธาตุก็เข้ามาผสมผสมที่จะเป็นขันหขัน้าคือูกนในาสัญญาตังขาวิญญาณในวิญญาณขัห้มีหน้าที่รู้ตามทวารทตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันรู้ตามทวารทางเตาจมูกนิ้งไกลใจรู้แล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันคือรู้เราจะต้องถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆรู้เราจะต้องจําได้หมายรู้รู้แล้วต้อมาคิดปรุงปุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรคือเป็นกระบวนการทํางานของชีวิตอันเนี้ยขันห้าเป็นกระบวนการทํางานของชีวิตแต่อารู้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่ได้ไปไล่รู้อย่างวิญญาณขันหลับไม่ใช่ไปไล่รู้ตามทวารแล้วมาปรุงแต่งเพราะไอขันห้าเป็นกระบวนการทํางานของชีวิตแต่รู้เนี่ยมันไม่ได้ไป ไ ม, ไม่ได้ไปทํางานแบบเดียวกับ ว, วิญญาณขันที่เป็นกระบวนการทํางานของชีวิตรู้อะไรแล้วก็จะต้องเอามาปรุงแต่งส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันคือเอามาถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆแล้วก็จําได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรส่งต่อสังขารคิดปรุงปรุงคิดสื่อสารความหมายกันแต่ธาตรู้เนี่ยมันได้แต่รู้ว่าเนี่ยมันเนี่ยรู้แบบพุทธะรู้จริงรู้แจ้งรู้พ้นไม่ยึดถืออะไรได้ตัวมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีกิยาการใดใดเลย ไอ้ที่มีกิจยาการมีตัวตนมีรูปร่างภายนอกร่างกายรวมทั้งขันหนา้าเป็นจริงไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ชนุสุภาพเดิมไม่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรารู้มันก็ได้แต่รู้อยู่ในตัวของมันนะั่นแหละว่าตัวมันเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมีแต่ความมเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าธรรมชาติจั ก, กรวาลมีแต่ความรู้แล้วก็สังขารเกิดเกิดัดดดดบด ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปตรเวนไม่มีใครไปรองรับคือความคิดความปรุงแต่งเนี่ยเกิดเกิดดำดับอยู่ตลอดเวลาทุกขณะปัจจุบันแต่ไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นรู้มันก็รู้ได้แต่รู้อย่างนี้เนี่ยรู้ว่าสิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วนี่แหละผ่านรู้มันก็รู้อย่างนี้เนี่ยติพาลานทั้งหลายท่านอยู่ก็รู้อยู่ก็รู้นี่เนี่ยอยู่ก็รู้ก็คืออะไรรู้ว่าสังขารทั้งหมดไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นสังขารร่างกายขันห้า หลักการจิตใจของขันห้าอยู่นอกขันห้าทั้งหมดสังขานทั้งหมดที่สิ่งปรุงแต่งทั้งหมดไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ตนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมไปดับไปมีแล้วหายไปเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราแท้ๆเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิยาการใดๆเลยมีแต่ความรู้รู้ที่ไม่อาจไปมีกิริยาการไปยึดอะไรได้ แล้วก็ไม่มีไม่อาจจะมายึดไอตัวธาตุรู้นั่นเองได้ไอการที่จะมายึดธาตุรู้ได้มันต้องเอาขันหน้ามายึดไอรู้ธรรมดาเนี่ยรู้ที่เป็นธาตุรู้แท้มนยึดตัวมันเองไม่ได้หรอกมันต้องไปหลงเอาขันหน้ามายึดมายึดไอธาตุรู้มีคนพยายามจะเอาเอาขันหน้ามายึดธาตุรู้อีกแล้วเอาขันหน้าไปยึดขันหน้านั่นเอง่แล้วก็พยายามจะเอาขันหน้ามายึดธาตุรู้ไว้เป็นความว่างยึดความว่างไว้อันนี้มันความหลงเข้าใจไหมเนี่ยผมที่พูดจะยืดยาวเนี่ย ครับเราจะเข้าใจครับเข้าใจไงเดี๋ยวสรุปไปฟังกันสิครับก็ถ้าเราเอาตัวเองไปนั่งคิดนั่งไล่รู้นั่งอะไรมันคือสังขารปรุงแต่งครับมันไม่ใช่ธาตุรู้ธาตรู้จริงๆไม่มีตัวตนมีแต่ความว่างเปล่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่างโล่งปลงเบาสบายการว่างโล่งป่ลงเบาสบายก็คืออาการของขันห้า ต้องอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นครับต้องวางไม่มีต้องวางตัวตนของเราถ้ามีตัวตนของเรามันก็คือเป็นขันเป็นสังขารปรุงแต่งเนาะเปลียนเขานะเปลี่ยนสังเกตได้เห็นจริงนะครับอเอ๋อแต่มันเห็นจริงรู้แจ้งคือมันแก่ใจของตนเองเขา<อ><อ>จะ<อ>ทิ้นสงสัยอะไรเขอบอกคุณหลนงตาครับเนาะที่ล่าว่าไง ชัดเจนกันไหมตรงเนี้ยครับขอโอกาสครับ <c oughs> หลังจากที่คืนที่สองเนี้ยมันมันฟุ้งจนดูอะไรไม่ออกเลยคแต่ว่าคืนที่สามเนี้ยมันมันเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยครับคือเหมือนเหมือนเหมือนกับสติมันมีกำลังนะครับพ อ, อช่วงที่เดิน เดินจงกลมนะฮะสติมันมีกําลังจิตมันมีกําลังขึ้นมาครับพอพอพอเราจับตัวเนี้ได้อไอ้ออผู้รู้นะครับเขาก็จะรู้ของเขาขึ้นมาด้วยรู้ขึ้นมาเองแล้วเราก็ไ ม, ไม่ไม่ทันในสังเกตนะครับว่ามันรู้ขึ้นมาอย่างไงแต่ความรู้นะฮะมันมันรู้แบบธรรมชาติครับไม่ได้ไม่ได้พยายามจะรู้นะเขารู้ของเขาขึ้นมาเองครับรู้แบบเออ อธิบายไม่ถูกควารู้ตัวนี้คือหลังจากที่ที่เห็นที่เห็นความรู้เขาทำงานแล้วนะฮะมันมันจะอยู่ได้ประมาณช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเนผมผมก็เดินตลอดเลยครับ <c oughs> เดินรู้แบบธรรมชาติอย่างี้ยไม่ทราบ่ารู้อย่างเงี้ยใช้ธาตุรู้ไหมครับเออขนาดใดที่มันมันปล่อยว้าหมดนะอันนั้นนั่นคือธรรมชาติที่ได้แต่รู้ แต่เสร็จแล้วก็ไปดิ้นหล่นค้นหาครับมาดิ้นหล่นค้นหาพยายามที่หล่นคนหาเนี่นนะหลงหลงเอาสังขารมาปรุงแต่งครัหลงไปเป็นสังขารหลงเอาสังขารมาปรุงแต่งแล้วพอหลุดแล้วก็เลยเข้าไม่ได้อีกเลยครับเอานี่อ่ที่พยายามเข้าเนี่ยนะอ๋อเรื่รู้ไม่มีใครเข้าหรอกไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกหรอกเพราะไม่มีตัวตนของเราเราไม่มีตัวตนเนี่ยมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วธาตุรู้ ตัวตนของเราไม่มีอ่ะไม่มีตัวเราเข้าเลยมีตัวเราออกอ่ะที่ท่านบอกว่าเพราะพอมันออกไปแล้วมันหลุดออกมาแล้วพยายามจะเข้าใหม่มันเข้าไม่ได้ถ้ามีเข้ามีออกก็เป็นสังขารนั่นเองตัวปรุงแต่งนั่นองครับเพราะมันเป็นแต่ธาตรู้มันก็ได้แต่รู้เข้าเข้ามันก็ได้แต่รู้ออกมันก็ได้แต่รู้การที่ท่านพยายามจะให้เข้าให้ได้นั้นเปตัวปรุงแต่งไม่ใช่เป็นรู้แหะเพราะว่ารู้ปรุงแต่งไม่ได้แทรกแซงไม่ได้มีความพยายามอย่างใดไม่ได้มันได้แต่รู้อย่างเดียวในการที่ท่านพยายามไปแทรกแซงพยายามจะเป็นเข้าไปอีกใหม่ ให้ปเป็นรู้ตามธรรมชาติอันนี้ยมันยึดถือยึดถือแล้วหลงแล้วเดิหลงลงไปลงไปปรุงแต่งได้หลงเอาธาตุรู้ไปปรุงแต่งได้เข้าใจไหมเข้าใจครับมเมื่อเมื่อคือนไม่เห็นชัดแค่ว่ารู้ธรรมชาติกับรู้ที่เอาตัวเราเข้าไปทําเนี่ยมาเริ่มเห็นชัดแล้วครับแต่ท่านต้องเห็นด้วยนะคือพอท่าไปเห็นมาแล้วว่าเป็นรู้ธรรมชาติกับรู้ปรุงแต่ง แล้วท่านพยายามจะไปให้ไปเปรู้ธรรมชาติแต่เนี้ยหลงตลอดเลยแต่อันที่มาหลงว่าเนี่ยกําลังมีความพยายามไอ้ขนาน่ากาลังมีความพยายามจะเป็นรู้ธรรมชาติถ้ามีความรู้อยู่ตรงเนี้ยจะเป็นรู้รู้อะไรก็รู้ว่าเนี่ยขาน่ามีความพยายามจะไปปรุงแต่งให้รู้ธรรมชาติ <sl ok> ไอ้ที่มารู้ว่าขนาน่ากำลังปรุงแต่งแบบนั้นน่ะไอ้รู้นั่นน่ะเป็นรู้ธรรมชาติแต่ถ้าท่านไม่ ไม่เข้าใจตรงนี้ท่านก็นลงไปปรุงแต่งจริงๆเลยเพราะเคยเห็นรู้ธรรมชาติอยากให้เป็นรู้ธรรมชาติแต่นี้ปรุงแต่งตายเลยแต่นี่เครียดทั้งคืนอันนี้เป็นตัวปรุงแต่งแล้วไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่ารู้เนี่ปรุงแต่งไม่ได้แต่ท่านกลับปรุงแต่งได้ปรุงแต่งให้เป็นรูธรรมชาติได้กลายเป็นความอยากเลยอยากให้มัรู้ธรรมชาติเป็นกิเลสเป็นอวิชากิเลสตถาหนาเขาแทรกเราเราก็ไม่รู้ตัวชัดเจนถึงใจ ไ, มไหมล่ะยังไงขุมเขื่อนไหมชัดชัดเจนครับ คมผิดพลาดยังไงไหนอธิบายสิ ท, ที่ที่ที่ทาผิดผลก่อนเนี่ยคือมันมันมีความพยายามที่จะไปรู้ตั้งใจอยากจะรู้แต่ว่าถ้ารู้ธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้เอมเขาขึ้นมาเองครับคือคือ เราทําเหตุโดโดยโดยการทําความเพียรนะครับเหตุคือเพียน อ, อะไรเพียนอะไรเพียนมีสติครับอืเพียนมีสติให้ต่อเ น, นื่องมีสติอะไรมีสติและลึกรู้ครับเอยมีสติปล่อยวางสังขารให้หมดปล่อยวางความหลงยึดบ้านถือบ้านให้หมด ปล่อยวางความอยากความปัจจัยไหนหมดมันีสติปัญญาครับปล่อยวางสังขารทุกขณะปัจจุบันปล่อยวางป่อยวางปล่อยวางมีสติปัญญากับติดจดจ่อจจ่กับติดปล่อยวางปล่อยวางสังขารและปล่อยวางทั้งวิสังขารเนี่ยไม่พยายามไปยึดใจไว้จให้มันว่างครับแล้วก็ปล่อยวางสังขารปรุงแต่งทั้งหมดและไม่พยายามมายึดเนี่ยยึดใจให้ว่างหรือว่าที่ท่านพยายามมายึด ถ้าตรู้ตามธรรมชาติให้ได้เนี่ยพยายามจะยึดให้มันเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติให้ได้อย่างนี้มันอย่างนี้มันยึดถือนะครับเพียงมีส ต, ติปัญญาไปวางไปวางทางสังขารและไม่หลงพยายามที่จะให้มันเป็นรู้ธรม ร, ธรมชาติรู้ธรรมชาติเนี่พยายามตายทั้งคืนอย่างนี้ทุกตายเลยอพยายามที่จะให้รู้เป็นรู้ธรรมชาติพยายามไม่สิ้นยึดถือพยายามไม่สิ้นยึดถือยิ่งยึดถือหนักเข้าไปเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอื กับพบคุณตาครับ